วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวเราเราเราเป็นอะไรเรามีอะไรในตัวเราเราไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้รู้ก็รู้แบบไม่ครบบริบูรณ์ วันนี้เราจะเรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เรื่องของตัวเราว่าชีวิตของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยอะไรมีอะไรบ้างชีวิตของพวกเรานี้ประกอบด้วยอาการห้าอย่าง ที่เรียกว่าขันห้าขันขันแปลว่าอาการเรามีอยห้าอาการที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ขันห้ามีห้าห้าอาการขันที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันรูปประขันก็คือร่างกายนี่ร่างกายที่เราเห็นอยู่นี่เรียกว่ารูปประขัน แล้วก็มอีอีกสี่ขันเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนวิญญาณขันเวทนาก็คือความรู้รู้สึกรู้สึก เจ็บไม่เจ็บเนี่ยเรียกว่าเวทนาเวลาร่างกายเจ็บตัวที่แสดงอาการเจ็บก็คือตัวเวทนาเวลาเราไม่สบายร่างกายไม่สบายเกิดอาการเจ็บไข้ขึ้นมาตามร่างกายตัวที่แสดงความเจ็บนี่ก็คือเวทนาเรียกว่าเวทนาแล้ว สัญญาก็คือตัวที่จำได้หมายรู้จำอะไรก็จำสิ่งที่มาทางร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเป็นที่รับข้อมูลร่างกายนี้มีห้าช่องทางสำหรับการรับข้อมูลก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะ ร่างกายความสําคัญของร่างกายอยู่ที่มีมีตาหูจมูกนิ้วกาย เ, าเหมือนกับความสําคัญของโทรศัพท์มือถือนี่มีอะไรมีกล้องอไว้รับรูปไว้ถ่ายรูปมีที่อัดเสียงมีมีไมโครโฟนไว้สําหรับอัดเสียงรับเสียงเข้ามาร่างกายของเรากับ โทรศัพท์มือถือนี่คล้ายๆกันร่างกายมีตาไว้สำหรับรบับรูปมีหูไวส้สำหรับรับเสียงมีจมูกไวส้สาหรับดมกลิ่นมีลิ้นไวส้สำหรับลิ้มรสแล้วก็มีร่างกายทั้งร่างนี้ไวส้สำหรับสัมผัสกับความรู้สึกรู้สึกแข็งนุม่มหนาวร้อนอเจ็บไม่เจ็บห นี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนมีทาหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่มาสัมผัสกับร่างกายเรียกว่าผลทัพบะผลทัพบ ะ, พพะนี่คือสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเช่อนอากาศอากาศร้อนอากาศเยน็นของแข็งเช่นไม้เรียวหรือของนุ่ม เช่นสำลีเวลาเราเอาสำลีมาทายาเราก็ใช้สำลีมันก็นุ่มมันไม่เจ็บถ้าเจ็บก็เข็มเวลาหมอเอาเข็มมาฉีดยาอันนี้คือร่างกายทำหน้าที่อยู่ห้าอย่างคอยรับลูกที่เข้ามาทางตา ถ้าไม่มีตาก็จะมองไม่เห็นรูปคําว่ารูปก็คือภาพจะไม่เห็นภาพจะไม่เห็นสีต่างๆจะไม่เห็นสีเขียวสีแดงจะไม่เห็นรูปร่างรูปร่างสูงกว้างแคบอะไรต่างๆที่เราเห็นด้วยตาอันนี้คือร่างกายรูปประคั มีหน้าที่รับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เป็นผู้มารับรูปรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพราะว่าร่างกายนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกับมือถือนี่มันไม่รู้เวลาเราเอากล้องไปถ่ายภาพนี้มือถือมันไม่รู้ว่าถ่ายถ่ายอะไรถ่ายรูปใครคนที่รู้ก็คือคนที่ใช้มือถือร่างกายก็ไม่รู้ว่ามันเห็นภาพอะไรได้ยินเสียงอะไรได้ดมกลิ่นอะไร มีตัวที่รับรู้ก็คือตัววิญญาณขันวิญญาณนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่รวมกันที่เรียกว่าใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนโทรศัพท์มือถือกับคนที่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือ เป็นคนละฝ่ายกันเวลาที่มือถือเป็นอะไรเช่นมือถือเสียหล่นตกไปแตกใช้ไม่ได้คนที่ใช้ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไปกับโทรศัพท์มือถือร่างกายเกิดมันมีอุบัติเหตุถูกรถชนตายก็ตายแต่เฉพาะร่างกายผู้ที่มา ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ใช้ร่างกายก็คือใจที่มีเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นผู้รับข้อมูลจากทางร่างกายผู้ที่รับข้อมูลทางตาเรียกว่าวิญญาณจักขุวิญญาณเวลาตาไปเห็นภาพเห็นรูป ตัววิญญาณนี้ก็จะไปรับข้อมูลเข้ามาเอาเข้ามาที่ใจในใจนี้มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวที่ไปรับข้อมูลต่างๆทางตาหูจมกูกลิ้นกายเรียกว่าวิญญาณไปรับรู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเวลาตาเห็นรูปเวลาหูได้ยินเสียงเวลาจมกูก ได้ดมกิน่นเวลาริมได้ริมรสเวลาร่างกายได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเรียกว่าวิญญาณตัววิญญาณนี้แหละเป็นตัวที่ไปรับรู้สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปรับเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสพอได้รูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแล้ว ใจก็มีหน้าที่อีกตัวหนึ่งก็ามาทำหน้าที่คือตัวสัญญาสัญญานี้แปลว่าการความจำได้หมายรู้อพอเห็นพอรับภาพรับรูปเข้ามารับเสียงเข้ามาก็ใช้ความจำว่าเคยเห็นรูปนี้หรือเปล่าเคยได้ยินเสียงนี้หรือเปล่ารูปนี้เป็นใครเสียงนี้เป็นใคร ถ้ามีเคยเห็นมันก็จะจำได้เช่นเคยเห็นคนนี้พอพอสัญญาตรวจดูก็เห็นว่าออกคนนี้เคยเห็นคนนี้ชื่อนกยกนขอหรือเสียงนี้เป็นเสียงของนกยกนขออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสัญญาสัญญาจะเป็นผู้จำได้หมายรู้ คือแล้วรู้ว่าเป็นเป็นรูปอะไรเป็นรูปของนายกรนายขอเป็นเสียงของนายกนายขอพอรู้แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเวทนาเพราะเวลาเราเห็นรูปที่เรารู้ว่าดีเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเช่นเราเห็นเงินเนี่ยถ้าใครเอาเงินมาให้เราเนี่ย พอเราเห็นเงินเขายืดเงินมาให้เราเราก็จะเกิดเวทนาคือความสุขเวทนาคือก่อนจะเกิดก่อนจะเกิดเวทนาเกิดสัญญารับรู้ก่อนรับรู้ว่าอ๋อวันนี้กําลังจะได้เงินนะพอรู้ว่าจะได้ของดีของชอบของที่ให้ความสุขของที่เคยให้ความสุขก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันที ในทางตรงกันข้ามถ้าไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยาให้หน่อยหมอก็าเอาเข็มฉีดยามาพอเราเห็นเข็มฉีดยาเราก็รู้ว่ามันจะต้องเจ็บเราก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจเรียวกว่าเวทนาทั้งๆที่ยังไม่ได้ถูกเข็มเลย อันนี้เรียกว่าเวทนาความรู้สึกดีไม่ดีสุขหรือทุกขน์นี่เรียกว่าเวทนาแล้วพอเกิดเวทนามันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงดีถ้าไม่อยากจะเจ็บเราก็ต้องบอกหมอว่าเดี๋ยววันนี้อยากพ้่งฉีดนะวันนี้ ต้องไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอ้างเหตุผลไปเพื่อที่จะได้ไม่ให้หมอฉีดยาหรือถ้าเขายืดเงินมาให้ก็ความคิดก็ต้องคิดว่าจะพูดยังไงดีเขายืดเงินมาให้ก็ต้องว่าขอบคุณครับมีความคิดก็จะพูดหรอกความคิดก็จะสั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วถ้าเกิดไปคิดอยากจะให้หมอไม่ฉีดยาแต่หมอบอกต้องฉีดยาเราก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเพราะหมอขัดใจเราเราอยากไม่ฉีดยาแต่หมอบอกว่าต้องฉีดยาเพราะถ้าไม่ฉีดยาจะตายได้อย่างนี้ หมอเขาก็ต้องพูดตามความจริงแต่เราก็จะไม่พอใจเพราะเราจะไม่อยากจะฉีดยาไม่อยากจะเจ็บแต่หลังจากที่เรามาคิดดูใหม่คิดว่าโอ้เจ็บก็เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็มียาเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะได้ไม่ตายก็เลยเปลี่ยนใจเอ้าเจ็บก็ฉี ด, ฉดก็ฉีดยอมเจ็บเพื่อจะได้ไม่ตาย อันนี้คือตัวสังขารตัวความคิดสังขารมันก็จะคิดไปตามความอยากถ้าอยากได้ก็จะคิดไปอย่างอยากไม่ได้ก็อยากจะคิดไปอย่างพอคิดเสร็จมันก็จะสั่งให้ร่างกายทำหรือพูดเช่นอยากได้เงินพอเขาเอาเงินมาให้ก็สั่งให้ร่างกายยื่นมือไปรับแล้วก็สั่งปากให้พูดว่าขอบคุณ อันนี้คือหน้าที่ของสังขารตัวคิดคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวสั่งตัวสังสังขารวันนี้สังขารก็คิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัดพอสั่งแล้วก็ถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดตัวนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวนั่งอยู่ที่นี้ถึงเวลาเลิก สังขารความคิดปรุงแต่งก็จะบอกถึงเวลากลับบ้านแล้วลุกขึ้นไปกลับบ้านนี่คือหน้าที่ของสังขารความคิดปรุงแต่งเริ่มต้นที่ตัววิญญาณตัววิญญาณไปรับรูปเสียงกลิ่นแล้วสัญญาก็มาดูว่าเป็นรูปใครเป็นเสียงอะไร พอรู้ว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาดีใจเสียใจถ้าเห็นรูปที่ชอบก็ดีใจได้ยินเสียงที่ชอบก็ดีใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงไม้ตกลงมาก็ตกใจพอไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เสียงมันน่ากลัวก็เลยเกิดอาการตกใจแล้วสังขารมันก็คิดว่าจะทำยังไงดี พอมันยังไม่ใกล้ตัวยังไม่ถูกตัวเราก็นั่งต่อไปไม่ต้องขยับแต่ถ้ามันมันก้าวมาถึงตัวเราทําให้เราเจ็บนี่บอกต้องขยับละนั่งอยู่กับที่ไม่ได้เปลี่ยนที่ใหม่นี่คือหน้าที่สังขาร น, นี่แหละเรียกว่าขันห้าที่เรามีกันอยู่ใช้กันอยู่ทุกวันอยู่กับมันแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นขันห้ากันน เราไปเชื่อความคิดของเราว่าเราเป็นเราเราเป็นนายกนางขอมีฐานะการเงินการทองร่ำรวยหรือยากจน mm. เวลาเราไปกรอกข้อมูลต่างๆมีชื่ออะไรนามสกุลอะไรอันนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นที่เขาตั้งให้กับร่างกายของเรา เราออกมาจากครอบครัวที่นามสกุลทองดีเราก็ต้องมีนามสกุลทองดีแล้วพ่อแม่ก็ตั้งให้เราชื่อในดีหรือในในดีหรือนางบุญนางสาวบุญหรือเด็กชายดีหรือเด็กหญิงบุญเราก็ติดกับข้อมูลเหล่านี้มาจำข้อมูลเหล่านี้ที่เขาตั้งให้เราแต่ข้อมูลแท้ๆของเราคือขันห้านี้เราไม่รู้จักกัน ก็ไม่มีใครบอกเราร่างกายเรามีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้กันพระพุทธเจ้าบอกร่างกายเรานี่มีอาการอีกสามสิบสองอาการด้วยกันคือผมเนี่ยเห็นไหมผมนี่ก็อาการหนึ่งขนตามตามร่างกายก็อีกอาการหนึ่งผมขนแล้วก็เล็บแล้วก็ฟันแล้วก็หนัง เราเห็นห้าอาการนี้ทางตาแตา่อาการอื่นนี่เรามองไม่เห็นอาการที่อยู่ใต้ผิวหนังเรามองไม่เห็นแล้วใต้ผิวหนังก็มีอะไรก็มีเนื้อมีเอนเ็นใช่ไหมเอนไว้สําหรับรัดกระดูกกระดูกมันจะอยู่กรติดกับเนื้อก็ต้องมีเอน็นรัดไว้เขาเรียกว่าเอน็นมีเนื้อแล้วก็มีเอน็นมีกระดูก แล้วก็มีม้ามมีหัวใจมีตับมีพังผืดมีไตมีปอดมีลำไส้ใหญ่มีลำไส้น้อยมีอาหารเก่าอาหารใหม่ที่อยู่ในลำไส้อาหารที่กินเข้าไปวันนี้เรียกว่าอาหารใหม่อาหารที่จะถ่ายออกมาเรียกว่าอาหารเก่าอยู่ในลำไส้ แล้วในในกะโหลกศีรษะก็มีสมองนี่คืออาการต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่เรามองไม่เห็นกันแล้วก็นอกจากนั้นก็มีน้ำต่างๆอีกมีน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไขยข้อแล้วก็น้ำมูดน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะเนี่ยเนี่ยคืออาการ 3.2 ที่มีอยู่ในร่างกายเราที่เรากลับไม่เห็นกันไม่รู้กันรู้แต่ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหรบ้านเลขที่เท่าไหรรู้แต่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราจริงๆ ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราเช่นอาการ32นี้อยู่กับมันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้กับไม่รู้จักมันมีใครสามารถบอกอาการ32ของตัวเองได้ไหมในที่นี้ฟังเทศกันมาทุกวันเนี่ยบอกได้อย่างว่ามีอาการ32มีอะไรบ้างจําได้ไม่หมดทําไมไม่จําของของตัวเองแท้ไม่ไม่สนใจ กลับไปสนใจเรื่องของชาวบ้านเขาว่าคนนั้นมีเงินเท่าไหร่คนนี้มีตําแหน่งอะไรอคนนี้มีเมียกี่คนมีผัวกี่คนชอบไปรู้เรื่องข้อมูลของคนอื่นเขาส่วนข้อมูลของตัวเองไม่ไม่สนใจนี่นี่คือความโง่ขั้นที่หนึ่งนะเรื่องของตัวเองไม่รู้กลับไปรู้อยากไปชอบไปรู้เรื่องของชาวบ้าน ชาวบ้านเขาจะดีเขาจะชั่วมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีเราชั่วไปกับเขาหรอก <Yeah. S 1> ถ้าเรารู้เรื่องของเราเราจะฉลาดแล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างไม่ทุกข์ตอนนี้เราอยู่กันแบบไม่สบายใจกันเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักร่างกายของเราว่ามันเป็นอะไร <Yeah. S 1> เราไปคิดว่ามันเป็นเรา <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าบอก ไม่มีเราในร่างกายนี้ไ <communauté> อ้นน ต, ตัวเรานี้คือตัวความคิดตัวสังขารตัวสังขารมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ที่ใจพอมันมาได้ครอบครองร่างกายมันก็ไปคิดว่ามันเป็นร่างกายเป็นตัวความคิดไปคิดว่าเป็นร่างกายพอคิดว่าเป็นร่างกายมันก็รักมันก็ห่วงแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เพราะว่า ของที่เรารากเราห่วงนี่มันจะต้องจากเราไปร่างกายต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราเราก็ไปทุกข์กับมันทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้เป็นเราหรอกแต่เราไปทุกข์กับมันเพราะเราคิดว่ามันเป็นเราไม่อยากให้มันเสียไม่อยากให้มัน หายไปจากเราดั้นเราต้องมาศึกษาร่างกายเพื่อเราจะได้ฉลาดเพื่อเราจะได้ไม่หลงแล้วเราจะได้ไม่มาทําให้ใจเราไม่สบายกันถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรในร่างกายนี้ที่เป็นเราเนี่ยผมก็ไม่ใช่เราขนก็ไม่ใช่เราเล็บก็ไม่ใช่เรา ฟันก็ไม่ใช่เราหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่เราลองค้นหาดูเถิในร่างกายมีตรงไหนเป็นเราบ้างสมัยนี้เดี๋ยวนี้เวลาหัวใจไม่ดีเขายังเปลี่ยนหัวใจได้เลยเอาหัวใจของอีกคนหนึ่งมาใส่ในร่างกายเราเรากลายเป็นเรากลายเป็นคนนั้นไปแล้วหรือเปล่าหรือเราก็ยังคิดเหมือนเดิมรู้มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมอยู่ มันไม่ได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนแต่ร่างกายความรู้สึกนึกคิดมันอยู่ที่ใจสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณนี่มันอยู่ที่ใจเราเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้เราเปลี่ยนปอดได้เปลี่ยนตับได้เปลี่ยนตายได้ใส่ขาเทียมได้ใส่ตาเทียมได้ใส่ฟันเทียมได้แต่ อันนี้เป็นเป็นอาการของร่างกายจะเปลี่ยนเอามาใส่ยังไงมันก็ยังเป็นร่างกายอยู่นะมันไม่มันไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้เราเป็นคนอื่นไปเอาหัวใจของคนอื่นมาใส่ร่างกายเราเนี่เรากลายเป็นคนอื่นไปหรือเปล่าเราก็ยังเป็นเราอยู่นั่นนะคนเดิมเพราะคนคนเรานี่มาจากใจมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมันออกมาจากตัวนี้ นี่คือการศึกษาทําความเข้าใจให้รู้จักตัวเราเพื่อเราจะได้อยู่อย่างสุขสบายตอนนี้เราไม่รู้จักตัวเราว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเรามาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมาจากตัวรู้คือใจใใเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็ ไม่อยากให้ร่างกายแก ervices, ่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่ร่างกายนี้มันทุกคนไม่ว ple ่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกันทุกคนแต่ถ้าเรามาศึกษาแล้วเรารู้ว yup ่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเพียงแต่มารับรู้ร่างกายผ่านวิญญาณวิญญาณไปรับข้อมูลมาจากร่างกายเวลาร่างกายเจ็บวิญญาณก็เป็นตัวไปรับข้อมูลมาว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บเท่านั้นเองแต่เราไม่มีความรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอรู้ว่าร่างกายเจ็บก็เลยคิดว่าเราเจ็บ พอรู้ว่าร่างกายจะตายก็คิดว่าเราจะตายเราจึงทุกข์กันมากเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายและความจริงของตัวเราว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนคนใช้โทรศัพท์มือถือกับโทรศัพท์มือถือนี่เป็นคนละคนเป็นคนละส่วนกัน เวลาโทรศัพท์มือถือเสียคนใช้ไม่เสียคนใช้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ต่อไปเราจะได้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเราเพียงแต่เป็นผู้มารับรู้เรื่องของร่างกายว่าร่างกาย แก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าขันห้านี้ไม่มีอะไรเป็นเราแม้แต่ความคิดคิดที่คิดว่าเรานี่ก็เป็นเพียงแต่แค่ความคิดจันเองตัวเราจริงๆไม่มีตัวเรานี้ออกมาจากความคิดของของใจของสังขารสังขารคือความคิดรุงแต่งมันชอบคิดสร้างเรื่องขึ้นมาเองเหมือนคนเขียนนิยาย คนเขียนนิยายนี่มันไม่ได้เขียนเรื่องจริงอ่ะมันก็่เขียนไปตามความคิดของมันเองบุคเพสานิว่านี่มีจริงที่ไหนมีหรือเปล่าใช่ไหมก็คิดเกี่ยคนคิดอ่ะคนแต่งขึ้นมาก็ไม่ใช่คนนะไอ้สังขาร น, นี่แหละใจนี่แหละใจที่มีสังขารความคิดปรุงแต่งมันก็แต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเอ ใจของพวกเราสังขารของพวกเราก็แต่งว่านี่เราเป็นนี่เราเป็นร่างกายเร่างกายเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็เลยโง่ประจัไหมว่าไปไปคิดกับของที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอไปคิดว่าเร <mm mm. าเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยทุกข์กับมันแต <mm? ่ <mm. ถ, ถ้าเราคิดว่าม <Gro> ันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นอาการสามสิบสองเท่านั้นแหละเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเวลาเราโกนผมทิ้งเราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนนะผมไม่มีอยู่ในหัวเราก็ยังเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ถอนฟันให้มันหมดทั้งปากเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ส่วนต่างๆของร่างกายมันจะมีไม่มีมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ทำให้เราหายไป ตัวคิดก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่คิดผิดท่านั้นเองไปคิดว่าเป็นเราพอถ้าไม่มีร่างกายก็ไปคิดว่าเราเป็นเราเป็นตัวร่องหนเราเป็นใจความจริงเราก็ไม่เป็นใจใจก็เป็นเพียงแต่ผู้คิดท่านั้นเองใจนี่แหละเป็นผู้แต่งเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องเราขึ้นมา แต่งว่าเราเราเป็นนนั่นนนี่เป็น น, นายกอนังขอมีชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้คือเรื่องของเราคือไม่มีเราเราไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องของเราแต่เราไม่มีไอที่เป็นเราขึ้นมาก็เพราะสังขารความคิดปรุงแต่งมันแต่งขึ้นมาเอง เราก็หลาคงคิอว่าเป็นเรื่องจริงเหมฉอนะคนบางคนถ้าไม่ไม่บอกว่าบุพเพสันนิวาสนี้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงนะเขาแต่งขึ้นมาเด็กๆได่ดูก็อาจจะคิดเป็นเรื่องจริงก็ได้ <S 1> <S 1> หรือเรื่องจริงก็อาจจะไปคิดว่าไม่จริงก็ได้บางคนเ็าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงอีกอเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมา <S 1> <S 1> เป็นนิยายก็มีบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นเห็นไม้มความคิดมันคิดได้ทั้งนั้นน่ มันจะคิดตรงกับความจริงก็ได้คิดขัดกับความจริงก็ได้สมัยก่อนคนก็คิดว่าโลกนี้แบนเห็นไหความคิดมันจะคิดยังไงก็คิดได้ทั้งนั้นแต่คิดมันคิดถูกหรือคิดผิดถ้าคิดผิดมันก็ทำให้มีปัญหาได้เราไปคิดผิดความคิดของเรามันคิดผิดไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็เลยลักเลย ห, ลหวงมันมากแล้วก็ไม่ไม่สนใจว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่ไม่รู้ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายโดยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพอมันมาถึงเวลาจะเจ็บขึ้นมาก็ตกใจถึงเวลาผมหงอกขึ้นมาก็ตกใจ เห็เวลาหนังเหวี่ยหนังโยนขึ้นมาก็ตกใจเถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ตกใจเพราะไม่เคยคิดว่ามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายมันเลยตกใจกันแต่ถ้ามันมาคิดบ่อยๆคิดถึงความจริงของร่างกายบ่อยๆเกีว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นเพียงอาการสามสิบสองเท่านั้นเองมันเป็นเพียงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้คือวิธีคิดตามความเป็นจริงถ้าเราคิดตามความเป็นจริงเราก็จะได้หายห่วงหายทุกข์เราจะรู้ว่าโอ๊ยเราไม่ได้เป็นร่างกายอยู่เราเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองความคิดที่ออกมาจากใจเจงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้คิดไม่ถูก คิดว่าเป็นเราคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเราคิดแบบนี้กันพอเราไปเจอความจริงเข้ามาเราก็เลยกลัวกันตกใจกันทุกข์กันแต่ตอนนี้ชาตินี้เราโชคดีได้มาเจอคนรู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้คิดตามความเป็นจริงคิดเห็นตามความเป็นจริง เห็นว่าร่างกายนี muscular, ้มีแค่อาการสารสิบสองเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เลยรู้ว่าท่านไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายท่านเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองท่านเป็นความคิดเป็นผู้รู้ความคิดเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดนี่ถินี่คือการตัดสัรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ใช่ร่างกายเราก็ไม่มีในร่างกายเราก็ไม่มีในผู้รู้ผู้คิดเรามันออกมาจากผู้ผู้คิดนี้เท่านั้นเองพอคิดว่าเป็นเราพอคิดว่าเรามันก็เลยคิดว่าเป็นเราขึ้นมาพอคิดว่าผู้คิดเป็นเรามันก็เลยคิดว่าผู้คิดนี้คือเราแต่ความจริงผู้คิดก็เค็งแต่เป็นผู้คิดเท่านั้นเอง พอเวลาหยุดคิดเนี่ยไอตัวเราก็หายไปพอคิดขึ้นมาใหม่หรือตัวสัญญาจำมันขึ้นมาใหม่ถ้าเราลืมต่อไปเรามันจะไม่รู้ว่ามีเราคนที่เป็นเอลไซเมื่อนี้เขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วล่ะไม่ความจำหายไปหมดแล้วความคิดก็ไม่มีแล้วความคิดก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเราแล้ว นี่คือสิ่งที่เรามาศึกษากันในวันนี้คือมาทำความรู้จักชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเราหรือไม่เป็นเรามันเป็นของเราหรือไม่เป็นของเรามันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมีเจริญแล้วมีเสื่อมหรือเปล่า มีเกิดแล้วมีแก่หรือเปล่ามีเจ็บหรือเปล่ามีตายหรือเปล่า<ม>สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้หายกลัวกันหายทุกข์กัน<ม>ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเรามันมาจากทำมาจากอะไรละ่ะร่างกายเนี้ยก็ทำมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่ ถ้าออกมาจากท้องแม่แล้วไม่กินอาหารไม่หายใจไม่กิไม่ดื่มน้ำนี่ร่างกายมันจะโตขึ้นมาได้ปะ uh huh. แล้วร่างกายก็ต้องมีอาหารมีน้ำมีลมหายใจมีความร้อน uh huh. ถ้าร่างกายเย็นเฉียบมันก็อยู่ถ้าออจับถ้าไปอยู่ในตู้เย็นนี่มันเดี๋ยวมันก็ตาย uh huh. ร่างกายมันต้องมีความร้อน uh huh. มีน้ำมีลม uh huh. มีอาหาร อาหารนี่ก็มาจากอะไรล่ะข้าวมาจากอะไรแล้วปลูกข้าวที่ไหนก็ต้องปลูกข้าวในดินข้าวมันโผล่มาจากดินข้าวมันเป็นดินมันเปลี่ยนจากดินมาเป็นข้าวอาศัยน้ําอาศัยต้นข้าวเป็นตัวมาเปลี่ยนดินให้มาเป็นเมล็ดข้าวแล้วเรากำเมล็ดข้าวมาเข้ามาในร่างกาย พอเร า, มาเมล็ดข้าวเข้ามาในร่างกายมาผสมกับน้ำที่เราดื่มเข้าไปผสมกับลมผสมกับความร้อนมันก็ไปทำให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันนะมันก็ไปทำให้ผมยาวขึ้นขนยาวขึ้นเล็บยาวขึ้นทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาร่างกายเราโดยสรุปก็มาจากลินน้ำนมไฟนี่แล้วพอเวลาร่างกายตายไป ดินน้ำลมไฟมันก็แยกทางกันไปพอเวลาตายปุ๊บนี่ลมไม่เข้าแล้วมีแต่จะออกลมก็ที่เหลือในร่างกายก็ออกมานะเป็นกลิ่นกลิ่นเหม็นนี่ก็เป็นลมความร้อนในร่างกายก็หายไปเวลาคนตายลองไปจับร่างกายก็ดูสิมันไม่ร้อนเหมือนกับคนเป็นมันเย็นกว่าแล้วถ้าทิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำใน ร่างกายมันก็จะไหลออกมาน้ำส่วนที่เป็นน้ำมันก็จะค่อยไหลออกมาต่อไปมันก็จะไม่มีน้ำเหลืออยู่ในร่างกายก็เหลือส่วนที่เป็นดิ น, นกระดูกหนังที่เหี่ยวที่ที่แห้งกรอบอวัยวะต่างๆแห้งกรอบต่อไปมันก็ผุผุพังกายเป็นดินไป นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้จักกันว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้มันทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกลับคืนสู่บ้านเดิมของมันกลับบ้านเก่าน้ำก็กลับไปบ้านเก่าน้ำก็กลับไปอยู่กับน้ำลมก็กลับไปอยู่กับลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟดินก็กลับไปอยู่กับดินร่างกายที่เป็นตัวเราของเราก็หายไป อย่ไปดูคนตายเลยใช่ไเวลามีชีวิตอยู่เป็นนั่นเป็นนี่มีอะไรเยอะแยะพอตายไปหายไปไหนหมดสมัยนี้เราไม่ได้ปล่อยให้มันแยกเราช่วยมันแยกด้วยการเผาเอาไฟมาเผาน้ำที่ในร่างกายมันก็ถูกไฟเผาแห้งไปหมดระเหยไปหมดดินที่มันอยู่ในร่างกายมันก็เลยกลายเป็นขี้เถ้าไปหมด อนนี้เกิดสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษาให้รู้จักว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้มันมาจากดินน้านมไฟมันมีเพียงอาการสามสิบสองไม่มีตัวเราอยู่ในนี้ตัวเราเป็นเพียงตัวคิดที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเท่านั้นเองตัวเราไม่มีมันตัวเรามันเกิดจากจินตนาการของตัวคิด เราคิดเป็นเชอบไปคิดว่าอันนั่นเป็นเราไอันี่เป็นเราเป็นของเราพอได้แฟนมาก็คิดว่าเป็นแฟนเป็นของเราแล้วพอเป็นของเราใครมาแตะแฟนเราหน่อยก็โกรธแล้วไม่พอใจแล้วแต่ถ้าไม่เป็นแฟนของเราใครจะไปแตะไปต้องอะไรเราไม่เห็นสนใจแต่พอมาเป็นของเราขึ้นมาเราทุกแล้วทุกข์เพราะเราหวงนะเราไม่อยากให้ใครมาแตะต้องแฟนของเรา ไม่อยากให้ใครมาเอาแฟนของเราไปเราได้อะไรมาแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันจากเราไปแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเพราะร่างกายของเรากับร่างกายของแฟนมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแยกทางกันไปคนละทางถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่ า, อ, าอย่าไปทุกข์นะ เขาจะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปเราห้ามเขาไม่ได้ร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราทำใจเฉยๆไว้แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายก็เท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปเราไปทุกข์กับมันทำไมที่เราไปทุกข์เพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย หรือคิดว่าแฟนเป็นของเราพออะไรเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเราก็หวงทั้งหวงทั้งหวงไม่อยากให้เขาจากเราไปไม่อยากให้เขาไปเป็นของคนอื่นแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะไปเขาก็ไปเ ห, ไหม่อยู่ด้วยกันไม่กี่เดือนกี่ปีบางทีก็แยกทางกันไป คนที่ไม่อยากให้แยกก็จะเสียใจพอแฟนจากไปแฟนทิ้งไปก็เสียใจแต่ถ้าอยากให้เขาไปก็ไม่เสียใจใช่ั้ย <S S 1> ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเบื่อม่นิสัยเลวเหลือเกินไปได้ก็ดี <S S ถ้าอยากให้เขาไปแล้วเขาไปเราก็ไ ม, เไม่เราก็ไม่ทุกข์แค่เรามีอะไรเราต้องคิดเสมอว่าเขาจะต้องไปไปได้ก็ดีให้คิดอย่างนี้ แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันร่างกายนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันจะต้องไปเราต้องคิดว่าดีไปได้ก็ดีอยู่กับมันก็ต้องคอยดูแลรักษามันใช่ไหมคอยเลี้ยงดูมันตลอดเวลาเสียเงินเสียทองทํางานทําการแทบเป็นแทบตายก็เพื่อมาเลี้ยงร่างกายนี้เลี้ยงดียังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีก็<ด><ด>ให้มันตายไปส่มันอยากจะตายก็ให้มันตายไปคิดอย่างนี้ เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอะไรเราจะได้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดต่อร่างกายเราก็จะดูร่างกายของเรานี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนหนึ่งกับร่างกายของเรานี่เหมือนกันทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของดินน้ำลมไฟ เดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟเวลาร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรเราไม่เห็นรู้สึกเดือดร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่าเขาไม่ได้เป็นเราเน่ยแต่พอร่างกายของเราเราไปคิดว่ามันเป็นเราเราก็เลยเดือดร้อนถ้าว่าคิดว่าร่างกายมันไม่เป็นเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นไม่ได้เป็นเราเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นเป็นยังไงไม่เห็นเดือดร้อน ร่างกายเขาคืนจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วไม่เห็นเดือดร้อนตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเราไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเรางั้นเราต้องเอาความจริงมายืนยันกับตัวรูตว้ตัวคิดว่าไม่ใช่เรามันเป็นดินน้ำนมไฟมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ แกล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายถ้าเราคิดอย่างนี้เนาะต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับร่างกายความเป็นความตายของร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ต้องมาทำมามาทำใจให้ให้มันยอมรับให้ได้ตอนนี้เรายังทุกข์กับมันอยู่ทั้งทั้งที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้ว่า เราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เพราะร่างกายเป็นอะไรเรายังทุกอยู่เพราะว่าเรายังไม่ปล่อยเราต้องมาปล่อยร่างกายวิธีที่จะปล่อยทำยังไงก็คือทำใจเฉยๆร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เฉยๆไปมันจะสุขจะทุกข์ก็เฉยๆไปอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันสุขปล่อยมันทุกข์ไป วิธีที่จะทำให้เราเฉยๆก็ต้องมานั่งสมาธิกันการมาฝึกนั่งสมาธิก็เพื่อหัดทำใจให้เราให้เฉยนั่นเองพอเราทำใจเฉยได้แล้วเราก็จะเฉยกับร่างกายได้เพราะเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ตอนนี้เราทำใจเฉยไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ทั้งทงที่รู้ว่ามันจะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟแต่เรายังเฉยไม่ได้เรายังเรายังหวาดกลัวอยู่เรายังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่เพราะเราทําใจเฉยไม่เป็นวิธีทําใจให้เฉยก็คือต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิใจเราก็จะเฉยพอใจสงบแล้วใจจะเฉย ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือนอกจากรู้ความจริงแล้วถ้ารู้ความจริงแล้วใจเรายังไม่ยอมปล่อยเราก็ต้องมาบังคับให้มันปล่อยโดยการมานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันหยุดความคิดหยุดความคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา หยุดความคิดว่าร่างกายนี้จะต้องอยู่ไปนานๆจะต้องไม่เจ็บจะต้องไม่แก่จะต้องไม่ตายพอเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้แล้วใจเราก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายมันจะแก่ก็เรื่องของมันจะเจ็บก็เรื่องของมันจะมันจะตายก็เรื่องของมันแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมันแก่ก็ไม่อยากให้มันแก่พอมันเจ็บก็อยากจะให้มันหายพอมันจะตายก็อยากจะให้มันไม่ตาย มันก็เลยวุ่นวายขึ้นมามันก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามาฝึกทาสมาธิได้เราจะหยุดความคิดเหล่านี้ได้หยุดความคิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้พอเราหยุดได้ก็เหมือนกับเราเฉยเราปล่อยวางได้ตตอนนี้เรารู้ความจริงแล้วรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ยังวางใจให้เฉยไม่ได้ แล้วเราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันฝึกมาฝึกเพื่อเราจะได้วางเฉยแล้วเราเราเราถ้าใครเขาถามว่าทําไมต้องวางเฉยกับร่างกายก็เพราะว่าถ้าไม่เฉยแล้วมันทุกข์ก็ไงไหมถ้าไม่เฉยแล้วมันจะทุกข์ถ้าถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทุกข์เนี่ยแล้วมีใครอยากจะทุกข์กันบ้างไม่มีใครอยากจะทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเนี่ย อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราจึงไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่เราห้ามมันได้หรือเปล่าเราก็ห้ามมันไม่ได้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องมาทำใจให้เฉยเช่นเวลาไม่สบายเราก็ทำใจให้เฉยเราก็จะไม่ทุกข์กัน ที่ทุกข์กันเพราะอยากจะให้หายตอนที่ไม่สบายนี่โอ้อยากจะให้หายมันก็เลยทรมานใจแต่ถ้าทําใจให้นิ่งให้เฉยได้มันก็ไม่ทรมานใจก็รอไปเดี๋ยวมันก็หายกิจยาไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายนี่คือปัญหาของเราคือความทุกข์ของเราความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปถือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา ไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไปอยากในสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราไปควบคุมบังคับร่างกายให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่เราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ทาให้เราทุกข์กัน แ ต, าาแต่ถ้าเรามาหยุดความอยากได้ทำใจให้เฉยๆได้ไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันแก่ก็เฉยมันเจ็บก็เฉยมันตายก็เฉยใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะสบายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเราจะเห็นร่างกายของเราเหมือนกับเห็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเวลาเจ็บเวลา แก่เวลาตายเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยเราก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายเราเช่นกันถ้าเราทำใจของเราให้เฉยได้ถ้ายังเฉยไม่ได้ก็ต้องมาทำใจให้เฉยหยุดความคิดหยุดความคิดว่าเป็นตัวเราของเราหยุดความคิดว่าต้องอยู่กับเราไปนานๆหยุดความคิดเหล่านี้วิธีจะหยุดก็ต้องใช้สติถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติก็คือใช้พุทโธนี่ให้คิดอยู่แต่คําว่าพุทโธพุทโธอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปคิดว่ามันต้องอยู่มันต้องไม่ตายให้คิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะหยุดคิดว่าเป็นตัวเราของเราว่ามันจะต้องอยู่จะต้องไม่ตายไปพอเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความทุกข์ในใจเราก็หายไป น, นี่คือวิธีทําใจให้เฉยก็ต้องมาหยุดความคิดกันวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติถ้าเราไม่มีสติสั่งให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ใช้พุทโธนี่ท่องพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธหรือถ้าเราชอบยาวๆหน่อยก็เป็นพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้ หรือเป็นพุทธทางสลาณังกฉามิธรมมังสลาณังกฉามิสังฆังสลาณังกฉามิคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจมันจะหยุดคิดจนกว่ามันจะหยุดคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราคิดว่ามันจะต้องไม่ตายมันจะต้องไม่แก่มันจะต้องไม่เจ็บหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดมันได้แล้วใจเราจะเฉยกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตาย <S <S ถ้ามันเดือดร้อนก็สแสดงว่ามันกำลังคิดอยู่ว่ายังเป็นตัวเราอยู่ยังเป็นของเราอยู่ยังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ถ้าเรายังทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันพุทโธแล้วพุทธทังสารนังกระฉามิแล้สวดมนต์ไปยาวๆอิติปิโสผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนะสัมปันโน สวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดว่ามันร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายถ้ามันหยุดคิดได้เฉยกับความแก่ความเจ็บความตายได้มันก็จะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายมันจะเฉยๆนี่คือสิ่งที่เราไม่มีกันสองอย่างคือความรู้ที่ถูกต้อง ครารู้ที่ถูกต้องทางาศาสนาเรียกว่าปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือว่าคือความรู้ที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองร่างกายนี้ทามาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ตัวตนออกมาจากความคิดของเราเองของใจ ที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองพอไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็เกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆานอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นร่างกายมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือความจริงที่เรามองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันพอเราไม่ยอมมองเราก็เลยคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อย เราก็จะคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเราลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันพอไปเจอความแก่เขาก็ตกใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้รู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องทาใจเราให้เฉยกับมันให้ได้อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อย่าไปครอบครองอย่าไปคิดว่ามันอย่าไปถือว่ามันเป็นของเราให้ถือว่าเป็นของยืมมาชั่วคราวยืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟถ้าแมเวลาที่เรายืมของมานี่เราจะไม่ค่อยเสียใจเวลาที่เราต้องคืนของเข้าไปเช่นยืมรถของเพื่อนมาวันนี้ไม่มีรถมาก็เลยขอยืมรถของเพื่อนมาพอเรากลับไปบ้านเราก็เอารถไปคืนเขา เราไม่เสียใจเลยเพราะเป็นของยืมมาเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างในร่างกายนี้ก็เป็นของยืมมายืมมาจากดินน้ำลมไฟนี่เดี๋ยวเราก็ต้องคืนกลับไปให้กับดินน้ำลมไฟร่างกายเวลาตายไปมันไปไหนเห็นกลายเป็นขี้เท่าไปเห็นไหมขี้เท่าไม่ใช่ดินลมที่มีในร่างกายก็ระเหยออกไปไฟก็หายไป น้ำก็เหือดแห้งออกไปหมดเหลือแต่ดินเหลือแต่ขี้เถ้านี่คือความจริงที่เราต้องมาคอยสอนใจเพื่อจะได้เปลี่ยนความคิดใหม่แทนที่จะมาคิดว่าเป็นตัวเราของเราจะได้คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอาการ32มันเป็นดินน้ําลมไฟแล้วก็คิดว่ามันมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย พอเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะวางเฉยกับร่างกายได้ถ้าไม่อยอมเฉยเราก็ต้องใช้พุทโธให้มันเฉยถ้ามันยังคิดว่ายัางเป็นตัวเราของเราอยู่ยังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่เวลาที่เราทุกข์กับร่างกายเมื่อไหร่แสดงว่าเราเรายังไปถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตอนนั้นเราก็ต้องททพททุทโธพุทโธทาใจให้มันนิ่งทาใจให้เฉยอย่าให้มันคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้ามัไม่คิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะไม่อยากให้เป็นอยากมันจะไม่อยากให้แก่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมันจะเฉยเฉยแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายต้องยอมแก่ให้ได้ต้องยอมเจ็บให้ได้ยอมตายให้ได้เมื่อยอมแล้วแสดงว่าปล่อยวางร่างกายได้เฉยกับร่างกายได้ร่างกายจะแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไป มันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเนี่ยปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่ตัวสังขารกับตัวสัญญาเนี่ยสองตัวนี้ชันตัวสังขารก็ชอบคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนีย่ตัวสังขารไอ้ตัวสัญญาก็ตัวจำเนี่ยชอบไปจำอยู่เรี่กว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราสัญญาก็ความจำได้หมายรู้ เราต้องมาเปลี่ยนสองตัวนี้เปลี่ยนสัญญาจากเป็นตัวเราของเราว่าไม่เป็นตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟด้วยการใช้สังขารสอนมันสอนให้มันจำใหม่ต่อไปนี้ต้องจำว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสิบสองเกิดแก่เจ็บตายต้องสอนมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันสอนรู้แล้วแต่มันยังไม่ยอมปล่อยก็ต้องไปนั่งสมาธิให้มันปล่อยให้ได้ พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดอย่าให้มันคิดเวลาเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเวลาตายก็ปล่อยให้มันตายไปให้ได้ด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธนี่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธเราก็จะปล่อยมันได้เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายนี่แหละคือการศึกษาเรื่องของชีวิตของเราที่มีอยู่5 0านด้วยการที่เรียกว่าขันหรู ป, ปรขันก็คือร่างกาย เวทนาสัญญาสังขารก็คือจิตใจมามาจากจิตใจสัญญาเาวิยนญาณก็เป็นตัวไปรับข้อมูลจากร่างกายรับตาหูจะรับรูปเสียงกดลิ่นรสจากตาหูจมูกวิ้นกายสัญญาก็มาจำรูปเสียงกลิ่นรู้ว่าเป็นอะไรมาจำได้หมายรู้แล้วก็พอจำได้หมายรู้ก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมา รู้สึกทุกข์ไม่ทุกข์ดีใจไม่ดีดีใจเสียใจขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารความคิดความปลูงแต่งขึ้นมาถ้าดีก็อยากได้ถ้าไม่ดีก็อยากให้มันหายไปพอมันไม่หายก็ทุกข์พออยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์เนี่เพราะไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้มันอยู่กับเราได้เสมออยากได้บางทีก็ไม่ได้ อยากให้มันไปบางทีมันก็ไม่ไปเราไม่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราต้องมาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้อยากบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็หยุดอยากเสียถ้าไม่อยากจะทุกข์เท่านั้นเองพออยากจะได้แล้วไม่ได้ก็พอจะเสียใจแลองให้ก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้วะพอเปลี่ยนใจปั๊บมันก็จะไม่เสียใจนั้นอย่าไปอยาก เห็นอะไรรู้อะไรอย่าไปอยากอย่าไปอยากได้แล้วอย่าไปอยากให้มันหายไปทำใจเฉยๆดีกว่าแล้วจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เรามาศึกษาเรื่องของขันห้ากันเราจะได้รู้เรื่องจิตใจรู้เรื่องร่างกายของเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นตัวเรา รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปร่างกายเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญามันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนแสงไฟที่กระพริบเปิดปิดไฟไฟเปิดไฟปิดความคิดคิดแล้วก็หยุดคิดแล้วก็คิดใหม่ความจาก็จำนั่นแล้วเี๋ยวก็ จยุดจำแล้วเดี๋ยวก็มาจำใหม่ความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องมาเปลี่ยนก็คือสัญญากับสังขารสัญญาก็เปลี่ยนความจำสมัยว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของทุกอย่างเป็นของที่เรายืมมาเดี๋ยวเราจะต้องคืนเข้าไปหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น หรือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี่เดี๋ยวต้องคืนเข้าไปหมดเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆเราเรามาเกิดเราไม่มีอะไรติดตัวมาน่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเดี๋ยวเราตายไปเราก็ต้องคืนให้สับเลยไปสมบัติข้าวของเงินทองที่เราหามาได้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปให้เรามาเปลี่ยนสัญญาใหม่เป็นความจำหม่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเปลี่ยนสัญญาแล้วสังขารเราก็จะเปลี่ยนความคิดอยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็จะไม่เอาดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียใจในภายหลังเพราะจะต้องเสียสิ่งที่เราได้มาไปนั่นเองนะขอให้เราลองไปพิจารณาลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดู รับรองได้ว่าจิตใจ mm, เราจะมีความสุขสบายมากขึ้นเบาอกเบาใจมากขึ้นความทุกข์น้อยลงความหนักอกหนักใจน้อยลงทุกวันที่หนักอกหนักใจก็ไปคิดผิดนั่นเองไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยหนักอกหนักใจกันแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะจะเป็นอะไรอยากจะทาอะไรก็ ทำไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเลยก็ไม่ต้องไวแบกเขามันก็จะไม่หนัก อ, อกหนักใจเนี่ยนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาและมาลองปฏิบัติดูแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยความทุกข์น้อยลงไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 อระโสยะธาสพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจจงวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวโนสุขัง วันนี้รู้จักขันห้าแล้วนะรู้จักว่าเราเป็นใครแล้วนะเราเป็นขันห้าไม่มีเราขันห้าเป็นตัวแต่งเราขึ้นมาความสังขารความคิดปรุงแต่งแต่งเราขึ้นมาเป็นนิยายความจริงไม่มีเรา ใครอยู่ที่บ้านอำเภอถ้ารู้ว่ารับเคเบิลได้หรือไม่ก็ลองส่งข้อความเข้ามาให้หน่อยนะมีเคเบิลสามแห่งบ้านอำเภอก็ช่องแปดนาจอมเทียนก็ช่อง 1, หนึ่งนาเกือก็ช่องหนึ่งต่อไปอาจจะโสพลเนาะนนนโสพลเราก็รู้จักเขาเนะเขาก็ลูกเขาก็มามาบวกที่วัดนี่เหมือนกั น, น, ก น, นอ่า จำไม่ได้คนไหนบวชหรือบวชทั้งสองคนหรือเปล่าจำไม่ได้ค น, คนที่เสียที่มาบวชเลยอ่า<ม>อุบัติเหตุเอที่เสียไปเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับภายในนะะเลยอ๋อไปแลตับตายตรงนี้นะอแต่ก็เป็นบบเด็กที่เล่นกีฬาเออมันแน่นอนนะนะถึงเวลามันจะเป็นขึ้นมา ไอตัวที่คิดว่าร่างกายเป็นของเราของเรามันก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวคิดไอตัวที่ทุกข์กับร่างกายมันก็ไปพอไม่มีร่างกายมันก็ไม่เข็ดมันก็ยังอยากจะมีร่างกายใหม่อยู่วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา487คนโอ้เยอะนะครับ YouTube 153 600ก็วันละครับ วิทยุยี่สิบสามแล้วก็รับฟังบนเขายี่สิบหกรวมเป็นหกร้อยแสิบเก้าครับอวันนี้เยอะเป็นบุกเยอะธรรมดาแค่สามร้อยกว่าอธิเทลสามร้อยกว่าครับอธิแรกจะเดสามร้อยกว่าอ่าอาทิตย์นี้ขึ้นลงสี่ร้อยขึ้นมาครับแปลกนขึ้นขึ้นลงลงอันนี้จังน่าจะหยุดเที่ยวกันละฮ่ะฮาช่วงอาทิตย์แรกก็เที่ยวอ่าอาทิตย์แรกเที่ยวที่สองเที่ยว หกร้อยกว่าคุณรู้เคเบิลนีู่เท่าไหร่นะสามช่องอย่างน้อยช่องมาสองสิบสามสิบขึ้นไปนะคของบ้านอำเภอเขาบอกว่าเขามีอยู่สี่ร้อยหลังคาเรือนทางเคเบิลเขาก็ไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนดูเท่าไหร่นะไม่ได้ครับครัเขามีแต่ละเคเบิลนี่ก็ไม่รู้มีกี่ช่องเขาก็มีมีกันหลายช่องนะฮะผม<อ>ว่าน่าจะเห็นเห็นอยู่ก็สามสิบช่องขึ้นนะครับ สารดื่มข้าแต่ไม่ใช่เป็นของเข้าวทำเลยเขารับบรรยากดาวเทียมครับสัญญาณจากที่อื่นเข้ามาครับแล้วก็เอาลงมาปล่อยลงมาเป็นเคเบิลครับบางแห่งก็ต้องทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์จากเขาใช่ไหมครับบางแห่งก็ฟรีครับบางแห่งก็ฟรีแล้วแต่ช่องช่องช่องสี่ช่องอะไรพวกนี้ก็ฟรีพวกสามสามห้าเจ็ดนี้ก็ฟรอ พี่ถ้าเป็นฟรีทีวีก็ได้เขาเขาก็จะได้เขาจะได้แต่ตอนนี้เขาไม่มีแบบใช้เสาอากาศแบบเมื่อก่อนออกอากาศแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เป็นดาวเทียมหมดเป็นดาวเทียมลงมาเลยแล้วถ้าเกิดคนไม่มีดาวเทียมยังใช้สายธรรมดารับก็ยังส่งออกอากาศอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้พวกสามารถเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นแล้วที่ที่เป็นเสาอไอ้เสาเสาทีวีเมื่อก่อนหนวดหนวดกุ้งนะฮะไม่ไม่เห็นแล้วะไม่มีแล้วนะครับถ้ามีก็ดูไม่ได้ครับ ตอนนี้สัญญาณเอฟมันเท่าที่ยังไม่ไม่เห็นล้วไม่มาทางอากาศนะต้องมาทางดาวเทียมมันมาทางดาวเทียมเลยยิงลงมาเลยและต้องมีจานจานรับนะครับหมดยุคบทสมัยนะแต่เดี๋ยวนี้ยู u b e ก็มีหนังของตัวเองด้วยครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ดูกันเองได้หมดแล้วก็หนดกุ้งมันก็ไม่ไม่จำเป็นล้วจ่เป็นเลยดูในมือถือได้ไลน์ก็ยังมีไลน์ทีวีเลย อย่างเปลี่ยนไปหมดนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมฟังแล้วมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับคือคืออาจารย์ครับตอนตอนที่ผมฝึก<ม>นั่งตรรมาทา ว, วิปัสสนาตอนแรกครับเวเวลาเจ็บปุ๊บครันเนี้ผมจะมุดหนีเข้าไปในสมาธิแบบว่าผมผมนั่งเพื่อให้ให้ได้ความสมาธิที่ลึกสุด แต่แต่ต่อหลังผมมาสังเกตว่าผมนั่งธมาร์ทเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนป ร, ประมาณว่าจุดประสงค์การนั่งเปลี่ยนไปครับเหมือนแบบว่าเหมือนไอ้ความเจ็บเนี่คือว่าผมถ้าเป็นนั่งมวยก็เหมือนเปิดกาดต่อยเลยครับมันเหมันเราไม่ไม่มุดลงไปในธมาร์ทคือเราเปิดกาดต่อยเจ็บเจ็บคือก็คือเจ็บเป็นเจ็บแต่ว่าเอาเอาความเจ็บให้ให้ลงครับเออได้ยังไงอะ ก็คือผมไม่แน่ใจว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าคือไม่ได้ไปเอาให้มันลงหรอกเอาให้เราอยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเองไม่ต้องหนีมันคือคือว่าไม่ไม่หนีในสมาธิแล้วคือว่าเป็นไงก็เห็นตามสภาวะเป็นจริงาตามความเป็นจริงไ ม, ไม่ให้ไปทุกข์กับมันปล่อยวางให้เฉยไงให้เฉยก็ก็คืออย่างนี้เราก็ต้องเล่นตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก่แล้วแต่เราแล้วแต่เราถ้าเราอยากจะมีความมั่นใจเราก็ เพราะถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าไอ้สิ่งสิ่งที่ที่เราทำที่เราทนนี่เราจะทนได้ทั้งหมดหรือเปล่าครับทุกตัวตก็ต้องขยับไป uh. แค่นี้ครับคำถามต่อไปจะคุณปัดครับวันเกิดคุณพ่อลูกไปบวชพรามถือศีลแปดให้คุณพ่อจะได้รับบุญไหมคะไม่ได้หรอกบุญของเราเราเป็นคนทำพ่ออยากจะได้บุญพ่อก็ต้องทำเอง คำถามต่อไปจากคุณสุจิตราครับขอถามค่ะอารมณ์รวมอยู่กับขันห้าไหนคะและจะควบคุมขันไม่ให้เกิดอารมณ์ได้ไหมคะอารมณ์ไม่ได้อยู่ในขันห้าอารมณ์อยู่ในใจก็จากการที่ขันห้าไปรับข้อมูลมาแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าชอบก็ปรุงแต่งอารมณ์ดีขึ้นมาถ้าไม่ชอบก็ปรุงแต่งอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็จะ ทำให้อารมณ์ดับไปได้อย่างที่เรามาพุโทโธพุทโธกันก็นเพื่อามาหยุดความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งของเราส่วนใหญ่จะปรุงแต่งไปในทางอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้อารมณ์ไม่ดีก็จะดับไปความเศร้าโศกเสียใจก็จะหายไปแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ไ่เปลี่ยนสัญญาใหม่ สัญญามันหลอกเรามันหลอกว่ามันดีหรือไม่ดีพอดีก็ทำให้เราดีใจเป็นบ้าไปอย่างพอไม่ดีก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจไปอีกอย่างแต่ถ้าเราเปลี่ยนสัญญาว่ามันไม่ใช่มันไม่มีไม่มันไม่ดีหรือดีหรอกมันเป็นไตลักษ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันจะดีก็ได้ไหนเดี๋ยวมันก็ดับพอมันดับมันก็จะทาใหเราทุกข์ มันไม่ดีขนาดไหนมันทําให้เราทุกข์ขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ดับอยู่ดีให้คิดอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนสัญญาใหม่เปลี่ยนสัญญาจากว่าดีไม่ดีมาเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหยุดสังขารเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นตายรักสังขารก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรสังขารก็จะเฉยเฉยไปเรียวกว่าปัญญาแต่ถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็หยุดสังขารไปก่อนก็ได้ เวลามันเสียใจก็หยุดสังขารหยุดความคิดปรุงแต่งด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วอารมณ์ไม่ดีนั่นก็จะหายไปชั่วคราวพอกลับไปเห็นหรือไปคิดเรื่องนั้นอีกก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญาว่าเรื่องนั้นมันเป็นตายรักมันเป็นอนิจจังทุกขังนะแตามันเป็นอย่างนี้แหละไปห้ามมันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามต่อไปผู้ปฏิบัติธรรมจะเจอวิปัสสนาทุกคนไหมคะและจะเจอทั้งสิบอย่างไหมคะก็แล้วแต่งโง่หรือฉลาดถ้างโงก่ก็เจอถ้าไม่ไม่งโงก่ก็ไม่เจอคำถามต่อไปจากคุณเขติศักดิ์ครับการดับอวิชชาคืออะไรครับพระอาจารย์ก็ดับความโง่ไงก็อาวิชาคือความรู้เนี่ยที่ไปเรียนหนังสือกันก็ไปดับอวิชชากันไปเอาความรู้เข้ามา ไปเรียนรู้ความจริงอวิชามันไม่ใช่เป็นความจริงมันเป็นความคิดมันคิดหลอกตัวเองคิดว่าโลกนี้แบนนี่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราจรึงต้องไปเรียนหนังสือกันไปเรียนหนังสือไปเรียนธรรมะไปบวชเรียนกันถ้าอยากจะมีความรู้ทางธรรมะก็ไปเรียนทางธรรมะถ้าอยากจะมีความรู้ทางโลกก็ไปเรียนทางโลกอวิชชาแปลว่าความไม่รู้นี่หรือความหลงความเห็นผิด เราไปเรียนให้มันเห็นถูกให้มันรู้ความจริงคำถามต่อไปจากคุณปองครับตอนนี้มีความคิดอยากจะบวชประมาณสามเดือนแต่ติดที่ว่ายังทางานอยู่ครับถ้าจะบวชก็ต้องออกจากงานเพราะว่าคงไม่สามารถลาบวชได้นานสามเดือนครับแต่ก็คิดว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชครับกราบขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยชีแ้แนะด้วยครับออย่าไปกังวลเลยถ้าจะบวชแค่สามเดือน ไม่ต้องบวชก็ได้ศึกษาปฏิบัติในเป็นคาราวะาก็เหมือนกันดีกว่าซิเพราะมาบวชแล้วมันจะเสียเวลาไปกับการหัดเป็นภาคกันหัดเดินบิณฑบาตหัดห่มผ้าหัดไหวพ้พระสวดมนต์ซึ่งมันเป็นขององค์ประกอบที่ไม่สำคัญเหมือนกับการภาวนาและเป็นพระเป็นคาราวะานี่มาขอใส่อยู่วัดครั้งละเจ็ดวันสิบวันจะได้ปฏิบัติเลยไม่ต้องมา พ่วงก็ม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการเป็นพระว่าเป็นพระอย่างไรกนผมอย่างไรห่ผมผ้าอย่างไรเดินบินทบาทอย่างไรไหว้พระสวดมนต์มันมีรายจิต ป, ปถาถะที่ต้องเรียนรู้เวลาเป็นพระถ้าบวชสามเดือนนี้พอพอจะรู้ว่าเป็นพระเป็นยังไงก็หมดเวลาศึกพอดีไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมแกนของศาสนาแกนของการ <Yeah. S 2> หลุดพ้นอยู่ที่การปฏิบัติ yeah. งั้นเราเป็นคาราวานี่เราสามารถที่ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องของพระได้วินัย227ข้อก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ให้เสียเวลาขอให้รู้แค่สินงแปดก็พ อ, องั้นถ้าจะบวชชั่วคราวอย่าไปบวชเสียเวลาถ้าจะบวชเป็นต้องบวชยาวเลยบวชแบบไม่เสกเลยจะได้ไปหัดเป็นพระให้ได้เพราะถ้าเป็นพระแล้วไม่รู้ว่าวิธีเป็นพระเป็นยังไงเดียวก็ถูกเขาจับเสกอยู่ดี คำถามต่อไปจากคุณบางอ่อนครับเราใส่บาตรหรือทําบุญแล้วกรวดน้ําโดยระบุชื่ออุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้รับไหมเจ้าคะ่ะถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้แล้วแต่สถานภาพเขาถ้าเขาเป็นขอทานรอรับอยู่เขาก็จะได้รับถ้าเขาเป็นเทวดาเขาเป็นเศรษฐีมีบุญมากเขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็หากินของเขาได้คํำถามต่อไป กรณีที่เราบอกบุญกฐินหรือผ้าป่าหรือการสร้างเสนาสนะก็ดีภายหลังจากที่เราได้ถวายให้พระสงฆ์เสร็จสิ้นไปแล้วมีซองปัจจัยที่ตามมาภายหลังเราควรทําอย่างไรครับและกรณีที่มีคนมาขอร่วมทําบุญกับเราในบุญที่ได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วเราก็ปรารถนาดีอยากให้เขาได้ทําบุญในส่วนนั้นด้วยเราจะแบ่งบุญนั้นโดยการรับเงินเข้ามาจะดีหรือไม่อย่างไรครับก็ได้สองทางบอกเขาว่าพอแล้ว คืนเข้าไปหรือถ้าคืนเข้าไม่ได้ก็เอาไปถวายวัดที่เราตั้งใจไว้แต่ดั้งเดิมอะเช่นเราถวายกุฏิเสร็จแล้วก็ถวายเงินเป็นบริวารไปเพื่อทางวัดจะต้องชอบกุฏิหรือต้องทําอะไรก็จะได้มีเงินส่วนนี้ใช้ได้แต่เราต้องต้องบอกคนที่เข้ามาทําบุญทีหลังบอกว่าเงินที่เราทํานี้พอแล้วที่เหลืออยู่นี้จะเอาไปทําอย่างนี้ได้ไหม จะบอกเขาให้รู้ถ้าก็อนุโมทาก็เอาไปได้ถ้าก็ไม่เอาก็คืนเข้าไปคำถามต่อไปจากคุณเอพิวครับขออนุญาตถามค่ะทำยังไงถึงจะได้คู่ครองที่ดีคะอ๋ออันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกถ้าทำได้ทุกคนก็สบายแล้วสิมันทำไม่ได้เพราะคู่ครองนี้มันไม่แน่นอนสามวันดีสีวันไข้ ฉะนนอย่าไปหวังที่จะมีคู่ครองดีเลยต้องหวังว่ามันห้าสิบห้าสิบสามวันดีสี่วันไข้แล้วจะไม่ผิดหวังไหมถาม <c oughs> ใครดูเลยคนนี้มีคู่ครองอะมีใครบอกดีบ้างไหมไม่มีหรอกดีร้อยเปอร์เซ็นตมีหม้หไม่มีหรอกสามวันดีสี่วันไข้เท่านั้นแนหะคำถามต่อไปจะคุณสะอาดครับประเด็นในการนํามาเดินปัญญา คือนำเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาพิจารณาตามคำสอนหรือเจ้าคะก็แล้วแต่ประสบเหตุการณ์มันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เป็นความจริงเช่นสูญเสียคนที่เรารักไปนี่มันก็เป็นความจริงถ้าเรารู้จักคิดมันก็คิดว่าชีวิตมันไม่แน่นอน เ, อเกิดแล้วต้องมีการพัดพากจากกันอันนี้ก็เป็นปัญญาสอใจเพื่อเราจะได้ไม่ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปทประวั ไปทําประวัติศาสตร์ซ้ํารอยไปทุกซ้ำซ้ำสองเสียแฟนไปแล้วก็อย่าไปมีแฟนใหม่นแต่ถ้าไม่เอามาสอนใจเดี๋ยวก็ลืมว่าแฟนคนเก่าตายไปร้องหม่มร้องไห้ไปหกเดือนเดี๋ยวพอเจอแฟนใหม่ก็ลืมละอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ไดเอามาสอนใจคําถามต่อไปจากคุณมายครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีทําทานให้ได้บุญเต็มที่ได้บุญมากเจ้าค่ะ อ๋อก็ให้ทํามากๆแล้วก็ทําแบ บ, บไม่มีความผูกมัดผูกพันให้แล้วก็ให้ไปเลยจบตอานั้นแหละจะทําให้ใครก็ได้ทั้งนั้นอย่าไปให้แล้วก็ไปคอยเฝ้าดูว่าเขาเอาไปทําหรือเปล่าเอาไปใช้หรือเปล่าบางทีถวายของใส่บาตรแล้วก็ตามไปที่วัดดูพระฉันหรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะได้บุญกลับมันกลับได้ความทุกข์ความกังวลใจแล้วเกิดพระไม่ฉันของเราก็เสียใจ อานีทำบุญนี้ได้บุญน้อยถ้าทำบุญมากอยากได้บุญมากให้เข้าไปแล้วก็ลืมไปเลย <_ d isc an> เขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาอย่างนี้จะได้บุญมากถ้าจำนวนกันเท่ากันถ้าำทำร้อยบาทแล้วไปตามดูว่าเขาเอาเงินร้อยบาทนี้ไปทาอะไรบ้างทาตามที่เราอยากให้เขาทำหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำก็เสียใจเัานให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยแต่ถ้าอยากจะให้ร้อยบาทแล้วให้มันได้ถ้าอยากจะได้มากกว่าร้อยบาทก็ต้องทำสองร้อยบาท มัร้อยบาทมันก็จะได้มากได้น้อยอยู่ที่ว่าเราทําแบบปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยเราก็ได้มากถ้าไม่ปล่อยก็ได้น้อยคํถาถามต่อไปจากคุณวรวัตรครับพอจะเข้าใจว่าพอจะเข้าใจได้ว่าไม่มีตัวเราในขันห้าแต่มีข้อสงสัยในบทสวดมนต์ที่ว่าเราต่างมีกรรมเป็นของตนแล้วอย่างนี้แปลว่ามีตัวตนหรือตัวเรากระทากรรมต่างๆไหมครับ ก็ตัวคิดเนี่ยเป็นตัวกระทํำไงก็ตัวคิดนี่แหละคิดว่าจะไปทําบุญก็ตัวคิดนี่แหละเป็นตัวกระทำเนี่ยออกมาจากตัวคิดทั้งนั้นแหละตัวเราก็ออกมาจากตัวคิดตัวกระทําก็ออกมาจากตัวคิดคิดทําบุญก่อนจะทําบุญได้ก็ต้องคิดก่อนใช่ไหอคิดทําบาปก็จะทําบาปได้ก็ต้องคิดก่อนมันก็ตัวคิดนี่แหละเป็นตัวปัญหาคําถามจะทาง youtube นะครับจากคุณตัดตัดตา ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อเวลาคิดถึงความตายแล้วรู้สึกสลดสังเวชอันนี้จิตเป็นอกุศลหรือเปล่าคะเป็นด้มันสลดสลดสังเวชแบบไหนแบบเศร้าเศร้าหรือไม่เศร้าถ้าเศร้าก็เป็นถ้าเป็นอกุศลถ้าไม่เศร้าก็ไม่เป็นอกุศลถ้าเฉยๆเห็นว่านี่ชีวิตเป็นอย่างนี้แหละสลดสังเวชแบบไม่เศร้าสลดสังเวชแบบใจสงบก็เป็นกุศล ถ้าสลดสังเวชแบบเศร้าโศกเสียใจนี่ก็เป็นอกุศลคำถามต่อไปจากจากทาง u t u b e ครับจากคุณเอพิลครับจะหาอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤ ษ, ากาษาได้ที่ไหนคะในในมือถือเนี่ยกดไปในก o o g l e เนี่ยภาษาอังกฤ ษ, กฤษทิปิดากะข า, ายเข้าไปทิปิดากะที p i t a k อที่อเใจไม่อ่านดากะใจท่ปิดากะแว่าพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วทอ t i p อพอ่ทีเเทิปะดักค่ะคำถามต่อไปจากคุณมดครับแม่ฝากเรียนถามครับนั่งสมาธิทุกวันภาวนาพุทโธก่อนนอนทำมาหลายปีแล้วจิตยังไม่สงบเลยบางครั้งยังคิดถึงพ่อซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วแม่ควรปฏิบัติยังไงครับถึงจะมีความสุขก็เพราะว่าแม่ไม่ได้นั่งสมาธิแม่นั่งคิดถ้านั่งคิดมันก็ไม่สงบ ถ้านั่งสมาธิก็ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคำถามต่อไปจะทาง facebook ครับจากคุณธเนศครับการฟังธรรมโดยสามารถบรรลุธรรมได้เลยไหมครับหรือต้องรู้กรรมฐานให้จิตรู้จริงๆครับได้คนที่มีมีเครื่องมือพร้อมแล้วพอฟังธรรมก็บรรลุได้เครื่องมือก็คือสมาธิต้องจิตต้องมีสมาธิจุดรวมแล้วแล้วก็มีความเข้า อ, อกเข้าใจในคําสอน ขณะที่ฟังว่ามีความหมายว่าอย่างไรถ้ามีสองอย่างนี้ก็บรรลุทําได้ในขณะที่ฟังคําถามต่อไปจากคุณเปาวครับขออนุญาตถามครับเงินที่พ่อแม่ให้ผมแล้วผมแบ่งไปทําบุญเองโดยความเต็มใจของผมเองแบบนี้ผมจะได้บุญไหมครับหรือว่าพ่อแม่จะได้ด้วยครับขอบคุณครับคือเราได้เพราะว่ามันเป็นเงินที่เป็นของเราแล้วแล้วเรายอมเสียสละเงินนี้ไปก็เรียกว่าเราได้บุญ ส่วนพ่อแม่เขาก็ได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เรามาแล้วเพราะเขาให้เรานี่ก็เป็นการทำบุญของเขาแล้วเขาเสียสละเงินส่วนนี้ให้กับเราไปาเอ็นได้ทั้งสองฝ่ายพ่อพ่อแม่ได้อยู่แล้วส่วนเราจะเอาได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปทำอะไรถ้าเราไปซื้อเหล้ากินเราก็ได้บาปถ้าเราไปทำบุญเราก็ได้บุญคำถามต่อไปจากคุณพรพิมลครับพระอาจารย์คะ ท่านสอนว่าไม่ต้องสนใจว่าร่างกายเราจะเป็นอย่างไรแล้วทำแล้วทําไมเจ้าอาวาสบางวัดยังต้องรักษาโรคให้ญาติโยมอีกคะก็เรื่องของท่านเนี่ยมาถามเราทำไมล่ะไม่ถามท่านด้วยรักษาได้ไอ้คำว่าปล่อยวางร่างกายนี่ไม่น่าเข้าปล่อยวางแบบไม่ดูแลดูแลรักษาได้ตามอาการตามสภาพตามความสามารถแต่ถ้ารักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนี่คือความหมายของการปล่อยเดี๋ยวจะฟังแล้วเข้าใจผิด เราก็ยังต้องกินข้าวอยู่เนี่ยเวลาไม่สบายก็ยังต้องหายากินอยู่แต่ถ้าหาแล้วทำแล้วมันไม่หายมันจะตายก็ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยมันไปทำได้ดูแลได้รักษาได้แต่ถ้ามันทำแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันอย่าไปทุกข์กับมันคำถามต่อไปจากคุณซีเซนเชนจ์ครับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าใจเราปล่อยวางแล้ว ต่อมาเราเป็นโรครายเช่นมะเร็งเราเห็นความตายเป็นของเที่ยงแล้วเราไม่รักษาทางโลกไม่ฉายลังสีปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าถึงเวลาตายก็ปลงทําแบบนี้ได้ไหมคะได้ถ้าทําได้ก็ดีสบายไปรักษาให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวเบาๆรักษาไงก็ไม่หายหรือหายก็หายชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นใหม่นเถ้าไม่อยากที่จะต้องไปวุ่นวายกับมันก็ก็ปล่อยมันไป คำถามท้าปราจกุลติติยาครับแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบทําบุญทุกครั้งที่เราทําบุญต้องคอยถามเขาตลอดว่าแม่หนูจะไปทําบุญฝากทําไหมยี่สิถึงสี่สิบาทก็ได้เขาก็จะทําแค่ที่เราถามหนูอยากให้แม่ทําบุญบ้างเพราะท่านไม่ค่อยมาทางนี้สักเท่าไหรค่ค่ะแบบนี้เรียกว่าบุญบังคับไหมคะและ้วแล้ว แ, แม่จะทําบุญไหมคะก็บุญบังคับก็ทําเท่าที่ไม่เสียหน้าหรือเสียอะไรไปเท่านเองก็จะไม่ค่อยได้มาก แล้วก็จะไม่มีไม่ได้บุญเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ทำด้วยจากใจของตัวเองทำเพราะเสียมิได้ทำแบบนี้ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ได้เหมือนกันแต่ได้ได้น้อยกว่าถ้าทำมาจากใจของตัวเองคำถามต่อไปจะทาง u t u b e ครับจากคนท่องเที่ยวท่านอาจารย์ช่วยแนะนากิริยาอาการเวลานอนด้วยครับผมรู้สึกว่าแม้แต่นอนเราต้องสำรวนแขนขาท่าทางมันเกี่ยวกับจิตหรือจริตนิสัยครับ เวลานอนมันก็มันไม่มีสติแล้วแหละมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จริตนิสัยของจิตของแต่ละคนบางคนก็นอนโกนบางคนก็นอนดิ้นบางคนก็นอนนิ่งตอนนั้นจิตไม่มีใครคอยควบคุมมันก็เลยเหมือนเด็กไม่มีใครมาคอยดูแลมันก็ปล่อยไปตามตามนิสัยของมันเราไปควบคุมบังครับไม่ได้เวลานอนหลับบางคนก็นอนแล้วก็คุยเพ้อเจ้อออกมาบวนเพ้ออยู่นั่น บางคนก็กัดฟันใช่ไหมบางคนก็กรอนครอบคราบบางคนก็นอนนิ่งเหมือนคนตายไม่ไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องของจิตคำถามต่อไปจากคุณซซกซี่ครับพระอาจารย์ครับพรุ่งนี้ผมต้องสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติใช่ไหมครับอืีคสําคัญที่้ก็คือแล้วแต่เราต้เราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องปรุงว่า ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าเราต้องการก็สิ่งที่ดีก็คือต้องมีความรู้อะไรพร้อมที่จะตอบคำคำสัมภาษณ์เขาได้อย่างถูกต้องเน็นเราก็อาจจะต้องรีบทําการบ้านเตรียมข้อมูลต่างๆที่เขาอาจจะสอบถามเราเพื่อทดสอบดูความสามารถของเราว่าเรามีมากมีน้อยแล้นมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเป้าหมายอยู่ที่ไหนถ้าเป้าหมายอยู่ที่อยู่ที่งานเราก็ต้องเตรียมข้อมูลไว้ แต่ถ้าอยู่ที่ใจก็เตรียมทำใจว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันก็จะไม่เสียใจคำถามต่อไปจะกคุณแหวนครับเรียนถามพระอาจารย์ตอนตายจิตออกกับตอนตายจิตออกจากร่างกายคำถามคือหนึ่งตัวคิดออกจากร่างกายหรือไม่สองตัวคิดสามารถคิดได้หรือไม่ร่างกายไม่ใช่ของเราสาตัวรู้กับตัวคิดใครใหญ่กว่ากัน มันไปด้วยกันเน่มันเป็นส่วนรวมมันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวเดียวกันทำหน้าที่ต่างกันมีสองหน้าที่มีหน้าที่แกมีหน้าที่คีดกับมีมีหน้าที่รู้เวลามันร่างกายตายมันไม่ได้ออกจากร่างกายละมันเพียงแต่ถอดปลั๊กถอดวิญญาณที่ไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกนิ้นกายเหมือนกับมือถือเนี่ยเวลาเราถอดเราถอดหูฟังออกจากเครื่องเนี้แล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องละเท่านั้นเอง เข้าใจไหมเวลาตายร่างกายเราใจเราไม่เคยอยู่ในร่างกายใจเราส่งสายมาห้าสายมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอเวลาร่างกายตายไปใจเราก็ถอนสายนี้ออกไปจากร่างกายแล้วใจเราก็ไปต่อตัวคิดก็ยังคิดต่อไปคิดในรูปแบบของความฝันไปพอไม่มีร่างกายมันก็จะอยู่ในสภาพของความฝันไปถ้าเป็นบาปพาให้ฝันก็ฝันร้ายไปถ้าบุญพาให้ฝันก็ฝันดีไป แล้วจะมาตื่นอีกทีก็ตามเมื่อมาได้เสียบปลักใหม่ได้ร่างกายอันใหม่มารับข้อมูลอันใหม่เตื่นขึ้นมาใหม่และและสตินี้เป็นตัวที่จะไม่ให้ไปเสียบปลักหรือว่าครับถ้าต้องปัญญาตัวที่กําจัดความอยากต่างๆให้ได้หมด ค, ความจัดความกําจัดความอยากดูอยากฟังอยากเิ่มรถนมกลิ่นได้มันก็จะไม่ไปหาร่างกายมาเสียบปลักแต่ถ้ายังมีความอยากดูมันก็ต้องไปไปหาตามาเสียบอยากได้ฟังก็ต้องไปหาหูมาเสียบ ก็ยังต้องไปมีร่างกายอยู่ตัวที่จะทําให้ไม่ไปมีก็ต้องมีสติและปัญญาทั้งสองตัวเพราะต้องอาศัยทั้งสองตัวถึงจะทําได้ครำถามต่อไปจากคุณพิชชาครับเราสวดมนต์ภาวนาให้สามีมีปัญญามองเห็นธรรมเหมือนเราได้ไหมคะไายก็ดีสิพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังเทศสั่งทําให้เหนื่อยเราก็ไม่ต้องมาเทศให้ให้ปากเปียกปากฉีก่อยนี่ คาถามต่อไปจากไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์มีคนนั่งสมาธินานแล้วชอบมาเพ่งโทษผู้อื่นว่าข้านี่เก่งข้านี่เป็นนักปฏิบัติผมเลยเตือนเขาไปว่าถึงจะรู้มามากทำมามากแต่ก็ไม่มีสติยังมีอารมณ์เพ่งผู้อื่นอยู่มันยังไม่ใช่ยังไม่ถึงใจเขาก็มีอารมณ์โกรธขึ้นมาทันที แต่ผมก็เฉยๆขอความกรุณาอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องสมาธิจริงๆเข้าถึงธรรมจริงๆครับเพราะผมเตือนพวกเขาไม่ค่อยเชื่อเลยวางไม่ค่อยเชื่อเลยวางอุเบกขาใครสงสัยอยากรู้อยากถามก็จะบอกแต่ถ้าใครไม่ถามผมก็จะเฉย ๆ, ๆครับดีแล้วละ่ะก็ปล่อยเขาไปเถอะเราอย่าไปยุ่งของเขาก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เนาะเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองเราเพียงแต่แนะแนวได้ ถ้าเขาฟังแล้วเขาไปเปลี่ยนตัวเขาเขาก็เปลี่ยนได้ถ้าเราบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณธัญรัตน์ครับทำบ uh ุญ huh. ท, ทำทานทำความดีรักษาศีลภาวนามากว่าสิบปีทำไมมีแต่แย่ลงโดนโกงไปจนหมดตัวไม่เหลืออะไรเราต้องทำบุญอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์คะเราทำน้อยไปทาไม่ไม่เต็มที่ทำแค่ร้อยละสิบอย่างนี้ มันต้องทำร้อยเต็มร้อยถ้าทำร้อยเต็มร้อยหมดเนือ้อหมดตัวก็จะมีความสุขเพราะคิดว่าเป็นการทําบุญไปแต่ถ้าคิดหมดเนือ้อหมดตัวแล้วทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ได้ทําบุญยังเสียดายเงินอยู่คนดีก็ทําบุญก็จะไม่เสียดายเงินหมดเนือ้อหมดตัวก็ถือว่าได้ทําบุญเต็มร้อยก็แทนที่จะทุกข์ก็จะมีความสุขขึ้นมางั้นเราทําให้เป็นทําไม่ถูกถ้าทําบุญจริงๆเราจะไม่เสียดายเงินทอง จะไม่เสียใจเวลาหมดเนื้อหมดตัวนี่มันทําบุญแบบอยากจะรวยมากกว่าทํารวยอยากจะรวยทําบุญอยากจะรวยก็ไม่มีวันรวยเพราะการทําบุญนี้ไม่ได้ทำให้เรารวยในชาตินี้ทําบุญนี้เพื่อให้เราจนให้ไม่ให้หมดเนื้อหมดตัวจะได้ไปบวชได้เขาน่าให้ป่ะถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะใช้เงินตามกิเลสตัณหานั้นเองคํถาถามต่อไปจากคุณสัมพโรครับ กราบพระอาจารย์ครับขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการเจริญสติสมาธิครับผมปฏิบัติด้วยการเจริญสติและสมาธิด้วยวิธียุบหนอพ้องหนอครับเมื่อนั่งปฏิบัติไปนานๆยุบหนอพ่องหนอที่หน้าท้องกลับหายไปไม่มีให้รู้สึกได้อีกจึงนั่งนิ่งๆเหมือนเดิมแล้วภาวนาว่ารู้หน่อไปเรื่อยๆจนหมดเวลาที่ตั้งใจปฏิบัติเพราะไม่ว่าจะทําอย่างไรต่อเ พ, เพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อ รบกวนเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อความรู้สึกที่หน้าท้องของยุคหนอพองหนอหายไปควรปฏิบัติต่ออย่างไรหรือมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเจริญสติและสมาธิต่อๆไปครับถ้ามันนั่งแล้วมันถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ไปไหนต่อก็แสดงว่าสติเราหมดกาลังดันั้นเราต้องฝึกสติให้มากกว่านี้เวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ต้องฝึกสติ นเวลาที่เราไม่ได้นั่งเรามันก็ยุบหนอพองหนอไม่ได้เราก็ต้องคอยเฝ้าดูร่างกายการทํางานเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆเพื่อหยุดความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คอยควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะมีสติพอเรานั่งเราก็นั่งไปดูดูยุบหนอพองหนอไปจนกระทั่งมันหายไปก็คอยดูว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดอะไรก็ปล่อยก็หยุดมันให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดคอยตัดความคิดไปเรื่อยๆ แล้วจิตก็จะสงบก็จะรวมได้ต่อไปคําถามต่อไปจากคุณเิริพรครับถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายเขาตายกันไปนานแล้วเราอุทิศให้แล้วเขายังคงได้รับอยู่ไหมคะก็ไม่แน่ไงมันแล้วแต่ว่าเขามารับรับหรือไม่มาถ้าเขาไม่มาก็ไม่ได้ถ้าเขามาก็ได้เอาคำถามสุดท้ายนะครับคาถามสุดท้ายจากคุณพัชรีครับ พระอาจารย์คะวันก่อนไปทําไปทํางานบุญบ้านนาะผู้ชายไม่มีใครนำํำศีลได้เลยลูกเลยจะไปช่วยนําลูกเลยจะไปช่วยนําให้แต่พระท่านบอกไม่ได้ให้ผู้ชายมานําเดี๋ยวเดี๋ยวสอนแล้วตกลงผู้หญิงนําศีลได้ไหมเจ้าคะได้ที่วันนี้ก็ให้แม่ชีนํานำํำศีลอยู่มันไม่ได้อยู่ที่หญิงที่ชายแล้ว ผู้หญิงก็มีศีลได้ผู้ชายก็มีศีลได้เพี้ยนดาจะเป็นธรรมเนียมสมัยก่อนเขาไม่อยากให้ผู้หญิงมาใกล้ชิดกับพระมายุ่งกับพระก็เลยไม่ให้ผู้หญิงมาทําอะไรเกี่ยวข้องกับทางทางวัดเพราะกลัวจะมาใกล้ชิดแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ผ้าเหลืองขาดได้ทําให้ผ้าร้อนได้แต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้หาผู้ชายบางทีเข้าวัดไม่ค่อยมีก็เลยพอดีที่วัดนี้มีแม่ชีอยู่ประจําก็เลยให้แกทํา ถ้าไม่มีแม่ชีเราก็ทำเองเลยเราเป็นคนขอสีนให้ให้สีนให้ทำยังไงได้มันโลกมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้มันไม่มีการเรียนการศึกษากันคนก็ว่างใช่ไหมทําทาไร่ไถนาเสร็จก็มีเวลาไปไปวัดไปช่วยพากได้แต่สมัยนี้มันไปเรียนหนังสือกันพอนเรียนจบมันก็ไปทางานทาการต่อมันก็เลยไม่มีใครเข้าวัดกันผู้ชายไม่ค่อยมีเข้าวัดกันงั้นก็เลย ตัดปัญหานี้ก็เลยทํามันเองเลยเดี๋ยวเนี้ยพรุ่งนี้ไม่ชี้ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเป็นคนกล่าวคําถวายสังฆทานให้ถ้าเป็นวันพระก็เป็นคนนี้อาราธนาศีลให้ทํามันทุกอย่างไปเลยวันสต๊อปวันแมนสต๊อปวันทำมันเป็นคนเดียวพระพุทธเจ้าบอกให้อัตตาหิอัตนโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนจะพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองเราอย่าไปติดรูปแบบก็ได้ไหมรูปแบบมันมัน มันอาจจะเหมาะกับการเวลานั้นแต่การเวลานี้รูปแบบนั้นมันไม่เหมาะแล้วเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับการเวลาอย่างวันพระเมื่อก่อนก็เป็นวันวันวันขึ้นสิบห้าำวันตัดค่ำได้แต่สมัยนี้คนก็ไม่หยุดวันตัดค่ำสิบห้าค่ำแั้วเนี่ย้ามาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็ต้องทำวันเสาร์อาทิตย์ให้เป็นวันพระสิอย่างนะอย่าไม่ปรับกันมันไปยึดแบบเดิมศาสนามันก็เลยจมะ ก็ไม่มีคนเข้าวัดกันเพราะวันวันพระมันเข้าไม่ได้ต้องไปทํางานกันไอ้วันที่เข้าวัดวันเข้าวัดได้พระก็ไม่ออกมาแสดงธรรมไม่มาทําหน้าที่ของวันพระเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นวันพระมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยทําให้ขาดการติดต่อกันระหว่างญาติโยมกับวัดอย่างถ้าวัดไม่ปรับปรุงต่อไปวัดยิ่งเสื่อมลงไปเรื่อยๆอย่างนี้คนไม่เข้าวัดแล้วคนอยาหาธรรมะนี่ไปหาญาติโยมด้วยกันใช่ไหมอย่างนี้มีญาติโยมที่เข้าศึกษาปฏิบัติธรรม อย่างนี้เขาสอนสมาธิเก่งกว่าพระอกีกนโกเองก้านี่ก็ไม่ได้เป็นพระเอเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดนี้มันมันมั น, มนไดนโนเสาร์อะก็เนี่ยมันไม่รู้จักปรับกับการกับเวลามันยังไปยึดติดกับรูปแบบเดิมอยู่แต่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ ว, ลวเราต้องปรับให้มันเข้ารับกับเหตุการณ์กับของของสังคม จะมายึดว่าผู้หญิงทางนี้ไม่ได้ถ้าไม่มาพระในวันถ้าไม่มาวัดในวันพระ ก, ก็ไม่มีการแสดงธรรมก็จบเลยใช่ไหมนั่นแหละถึงปัญหาของส่วนส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การเสียบวงศาสนาก็อยู่ที่ที่พระเ่านี่แหละใช่ไหมที่ไม่รู้จักปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ยุคมันเปลี่ยนไปนะนี่ก็เป็นพูดเป็นเป็นคติให้ออกไปพิจพิจารณา ญาติโยมก็อย่าไปติดในวันพระถ้าไม่ใช่เป็นวันพระครูก็ไม่ถือศีลเพราะถึงวันหยุดวันเสาร์ที่ก็ไม่ใช่เป็นวันพระก็ไม่ถือศีลอีกไม่เข้าวัดอีกเข้าวัดก็ไม่มีพระเทศให้ฟังอีกมันก็เลยจบด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระก็ไม่อยากจะทํางานหน้าที่ญาติโยมก็ไม่อยากจะทำหน้าที่มันก็เลยจบศาสนามันก็เลยจะเสื่อมลงไปแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา